แต่เบื้องต้นก็ก็จำเป็นนั่นแหละถ้าหากว่าเบื้องต้นไม่ทำจะบริบูรณ์ได้อย่างไรอันนั้นก็คือยานสมมติมัคยานอย่างเงี้ยเราต้องดูว่าก่อนที่มัคยานจะเกิดยานอะไรเกิดก่อนเรยกว่าปฏิบัติอย่างไรจึงจะสมควรแก่มัคยา น, น, น, นก็บอกมัคยานต้องมาจากโคตรพูยานโคตรพูยานมีอะไรเป็นเป็นเหตุใกล้ก็ไล่ไล่ไล่มาเรื่อยจนมาครบ สัต บ, บุรุษนั่นแหละครบสัต บ, บุรุษในที่นี้ก็คือถึงปลายสารณาคมตรงๆเลยนะคนที่ครบสัต บ, บุรุษคนนั้นแหละคือคนถึงปลายสารณาคมเพราะเมื่อเขามีสารณะแล้วเขาจึงจะได้ฟังพระธรรมเมื่อเขาฟังพระธรรมแล้วเขารู้ว่าอะไรควรควรพูดควรทําแล้วก็ควรคิดนั่นแหละ เพราะฉะนั้นอย่าว่าในชั้นวิปั ส, สนาเลยในชั้นธรรมดาธรรมดานั้นเรียกว่ามนุษยธรรมก็มีสามอย่างนี้กายกรรมสามวจีกรรมสี่และมนโนกรรมสามนี้เป็นมนุษยธรรมอะอย่างอนัพิชาอัพยาปาตะและสัมมาทิฐิคุณธรรมเหล่านี้เป็นเรื่องของจิตใจใช่ไหมอ อ, อัพยาปาตะได้แก่ อโธสักเจตสิกหมายถึงเมตานั่นเองอนัพิชาก็แก่อโลภะการไม่ยึดติดจนถึงกับสา ม, มารถให้ทานได้และสุดท้ายก็คือสัมมาทิฏฐิกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบประการทานที่ให้แล้วมีผลนั่นแหละการให้ทานมีผลรักษาศีลก็มีผลกรรมและผลของกรรมก็มีจริง ผลบุญผลบาปมีจริงการบูชากราบไหว้การเชื้อเชิญการต้อนรับมีผลนะพ่อแม่มีพระคุณนะถ้าหากว่าปฏิบัติ ด, ดีกับพ่อแม่ได้บุญมากปฏิบัติผิดกับพ่อแม่โทษมหันเพราะว่าพ่อแม่เป็นพระอารหันต์ของลูกเป็นพระพรหมของลูกโอปปปาติกะมีอยู่จริงนะาการที่ต น, นันก็บูชาเหมือนพระพรหมเลยนะ พรอพรมผู้เอาเขาบอกว่าผู้สร้างอ่ะพ่อแม่นั่นแหละผู้สร้างอ่ะพรอพรมผู้สร้างนั่นเลยั น, นโอปปาติกะมีจริงหมายก็ว่าสัตว์ที่ทำกรรมนะไปผุดเกิดในภพต่างๆมีอยู่จริงพรมมีไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่มีเทวดาก็ามีนรกมีนี่ที่ไม่อยากให้มีก็มี <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งทีเรียกว่า ก ร, กรรมที่ทําในภพก่อนมีผลในภพนี้จริงกรรมที่ทําในภพนี้อะมีผลในภพหน้าจริงอันนั้นกเรียกว่าโลกนี้มีโลกนี้โลกหน้ามีอะก็คือปฏิเสธอ่าว่าไม่ใช่อุเฉตท ท, ทิฏฐินะนั่นแหละปฏิเสธอาการเกิดขึ้นลอยๆกรรมที่ทําให้มาเกิดในภพนี้มีกรรมที่ทําในภพนี้เพื่อโลกหน้าก่อนมีนั่นแหละอันพวกนี้ก็เป็นสัมมาทิฏฐิอั้นสัมมาทิฏฐิอันนี้ ท่านเล่าว่าเกิดจากการไต่าถามสมณะพราหมนะไต่าถามสมณะพราหมณ์ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษมันถอนเดินะนะเจริญถอนจนถึงว่าอะไรควรเจริญเจริญเพื่ออะไรนะอย่างในเนอที่สุดก็เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขทั้งโลกนี้และ โลกหน้าสุดท้ายเจริญเพื่อสุขอย่างยิ่งคือคือที่สุดแห่งทุกข์นี่แหละทำที่สุดแห่งทุกข์คือการละตันหาได้นิพานแปลว่าไม่มีตันหากะนี่นี่แปลว่าไม่มีไม่มีหรือพ้นวานะวานะแปลว่าเครื่องร้อยรัดผูกมัดเอาไวอ้อ่ะพนจะเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องร้อยรัดนี่แหละอภิพาณนั่นละ แต่ก็พ้นเนี่ยจะพ้นได้ยังไงท่านพ้นด้วยการสํารอกโดยไม่มีเหลือสํารอกตันหาและอวิชชาสํารอกยังไงก็บอกมีโอสดมียาโอสถที่สํารอกได้โดยส่วนเดียวก็คืออริยมรรคมีองค์8ปดนั่นแหละยาขนาด น, นี้นะจึงจะฆ่าเชื้ออันนั้นได้เป็นยังไงบ้างเรียนเรื่องไตรสารณาคมมากๆแล้วพอเห็นคุณพระพุทธเจ้ามากขึ้นหม ถ้าหากว่าเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะนนเห็นคุณของพระธรรมมากขึ้ น, นเห็นคุณของพระอ ร, รยิยสงฆ์มากขึ้นโอ้ของธรรมานีก็ทำหน้าที่เกือบจบเลยนะคืออ่านให้ฟังนี่เกือบจบเรื่องแล้วอ่ะวันนี้ก็มาดูในหน้าสิบหกเลยว่าอีกในหนึ่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นวีรบุรุษวีรบุรุษเน้นเป็นคนกล้า เป็นการงานของคนกล้านะสมมุติว่าวีรบุรุษคือพวกทหารฐานนีนะที่ไปสู้รบได้ดินแดนได้รักษาบ้านเมืองเอาไว้เนี่ยก็เรียกว่าทหารฐานเรียกว่าวีรบุรุษใช่ไหมเรียกว่าพูกกล้าตรงนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้กล้ากล้าฟันฝ่าอุปสรรคนะอย่างน้อยที่สุดพระองค์กล้าบําเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าในชั้นต้นเลยนะจนถึงเรียกว่า กล้าละบาปละอกุศลทุกชนิดนะอย่ว่าบาปในใจท่านในวัตถุภายนอกท่านยังกล้าละตั้งแต่ท่านยังมีราคะอยู่เลยยังมีโลภะโทสะโมหะก็ยังกล้าที่จะสละทุกอย่างแล้วก็ออกบวชแล้วก็กล้าสละกิเลสอีกซึ่งสัตว์ทั้งหลายโดยมากห่วงแหนมากห่วงแหนปิดยึดในภพภูมิอยากไปเป็นเทวดาอยากมั่งอยากมีอยากอยากมีกกมความสุขอยากดีที่สุดอ่ะ ด้วยหน้าของโลภะเนี่ยเรียกว่าภวะตัญหามีตัญหาเป็นเครื่องกลางกั้นอันนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยกล้าที่จะละตัญหาอันนี้อพอละตัญหาที่ละตัญหาได้เพราะพระองค์รู้แจ้งอริยสัจนึกถึงบางสูตรที่พระองค์พอละตัญหาได้แล้วพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทพระองค์เนี่ยท้อเลยนะที่จะสอน บ, บอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยสงัดจากตันหา แต่หมูสัตว์มีตันหาเป็นที่มายินดีใช่ไหมหมูสัตว์ยินดีในกามคุณห้าธรรมะของพระ อ, องค์เนี่ยละคลายการยึดถือในกามคุณห้าหมูสัตว์ยินดีในโลภะสนับสนุนส่งเสริมให้โลภะเกิดธรรมะของพระ อ, องค์เนี่ยสงบระงับจากโลภะใช่หหรือว่าหมูสัตว์ทั่วไปบอกเออสนุกนะมีความสุขพระ อ, องค์บอกทุกข์อ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยตรงกันข้ามพระ อ, องค์เนี่ย จะไม่ตอบนะก็บอกว่าโอ้ถ้าสอนแล้วเขาไม่รู้เราก็เหนื่อยฟรีตีเนี่ยนี่แหละพรมก็เลยโอ้โลกชิพหายแล้วก็เลยอาราธนาพระองค์ก็อาศัยพรหมาราธนาอย่างหนึ่งอาศัยพระมหากรุณาของพระองค์ที่สั่งสมมาตลอดสี่อสงไขยแสนกับหนึ่งก็ทําให้พระองค์นั้นน่ะมีแรงใจอพระองค์ก็เลยพิจารณาดูหมู่สัตว์ในโลกกาะท่ทั้งหมด ส่วนหนึ่งเป็นพัพ菩萨อภพ菩萨นะว่าสัตว์ที่โปรดขึ้นมีเท่าไหร่โปรดไม่ขึ้นมีเท่าไ ร, ร, ไาไรอภพั萨แปลว่าบรรลุมรรคผลได้อภพ菩萨แปลว่าบรรลุมรรคผลไม่ได้ในพัพ菩萨นั้นอ่ะบรรสัตที่บรรลุมรรคผลได้เนี่ยเป็นพระอริยะได้เท่าไหรได้กี่ลำดับเท่าไร่เนี่ยวิจัยเรียบร้อยเป็จแล้วสัตว์เหล่านั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีจริตอย่างไรแบง่งจริตของสัตว์ ทำมีกระถายัางไงจึงจะเหมาะกับสัตว์แต่และอย่างแต่และอย่างจนรู้ว่าเออนี้เป็นอุคติตันยูบุคคลนี้เป็นวิปัญจิตันยูบุคคลนี้เป็นเนยะบุคคลนี้พวกนี้ปโปรดได้อุคติตนันยูแสดงหัวข้อก็บรุษธรรมได้วิปัญจิตันยูก็จำแนกแจกแจงให้ละเอียดอีกหน่อยก็บรรลุมรรคผลได้ถ้าเนยะบุคคล ท, okay. ทั้งเรียนทั้งฟังทั้งแสดงทั้งสอบสวนเรียนแล้วเรียนอีกเอาแล้วเอาอีกนั่นแหละอันนี้ก็บรรลุมรคผลได้นี่เขาเรียกว่าผู้ที่สามารถตรัสรู้มรคผลได้เรียกว่าพภพภะบุคคลส่วนสัตว์ที่ไม่ตรัสรู้มรคผลเรียกว่าอาภพภะบุคคลคนอาภพอ่ะอาภพอับโชคไร้วาสนาอะไรพวกเนี darling, ้อ่าก็แปลว่าไม่สามารถบรรลุมรคผลในในชาตินี้ได้เรียกว่าอาภพภะ ทนี้ในอาภัพภาพบุคคล น, นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงคำก็จะเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาบารมีของเขาต่อไปในภพต่อหน้าในภพต่อต่อไปในสมัยพระผู้มีพระภาคถ้าเราเคยไปฟังธรรมนะเราก็ประเภทสี่นะถ้าสมัยนี้พอบรรลุได้ก็ประเภทสามนะถ้าบรรลุไม่ได้อีกก็ประเภทสี่อีกนั่นแหละอแต่ประเภทสี่นี่นะถ้าสะสมบุญไว้แล้ว ในคำพ์ท่านกล่าวว่าผู้ที่ ส, สั่งสมในการอบรมศึกษาภาพปริยัติธรรมฟังธรรมมายัางชำนาญคล่องแคล่วเวลาจุติไปเกิดเป็นเทวดาปั๊บบรรลุธรรมง่ายในหนึ่งนะสองถ้ามีบุคคลไปแสดงธรรมในสวรรค์ก็บรุง่ายมีคนตักเตือนก็บรุง่ายหรือพ้นมาจากสวรรค์มาเกิดในาศาสนาพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง ก็ตรัสรู้ทำง่ายถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เลยก็เป็นพระปัิเจกพรพุทธเจ้าสา ม, มารถที่จะบรรลุเองได้อันการสะสมบุญเนี่ยสรุปแล้วดีหมดเลยนั่นแหละบรรลุไม่บรรลุก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนกับเด็กทานอาหารน่ะทานนี่ยังไม่โตเต็มที่เป็นหนุ่มเลยก็ไม่เป็นไรก็ทานไปเรื่อยๆกินทุกวันนั่นแหละเช้าเย็นวันละสามมื้อก็โตได้เหมือนกันนะแต่นี้มันโตเกินไปเอกอ้วนต้องไปลดเลยนั่นแหละก็เอาไปเรื่อยไม่เลิกรา เมื่อไหร่นะจะศึกษาพระธรรมเหมือนกับทานอาหารนะ่ะเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้นั่นแหละขอ ง, งมาเมื่อหลายหลายปีก่อนโ น, น้นเริ่มศึกษาใหม่ๆบางทีมขี้เกียจเหมือนกันนะอะทำไมมันขี้เกียจอย่างนี้กันมาทาไงดีก็เลยเอีคนเขาก็กินข้าวกันละสามมือสามมือสามมือแล้วก็ขยันกินไปก็เท่านั้นแหละนห้เราน่าจะทําใจให้มันชอบศึกษาธรรมะเหมือนกับทานข้าวบ้งก็เลยเออก็ ป ล, ป, ลปลอบใจตัวเองก็ทำให้มีศรัทธาที่จะอ่านต่อไปอีกนั่นแหละก็หาอุบายเรื่อยๆมาสรุปแล้วว่าทำยังไงก็ได้ให้ศึกษาต่อไปเพราะไม่มีทางอื่นแล้วนะเราจะไปนั่งนั่งทำกรรมฐานเลยเลิกกรรมฐานเรานั่งทาไม้นั่งแล้วรู้อะไรอันนี้ตรงนี้อรตา ม, มาไม่ได้ปฏิเสธเอริยาบทนะนะไม่ได้ปฏิเสธว่าอย่านั่นเพราะนี้ยืนไหม เราตอนนี้เราก็ไม่ได้ยืนเพียงแต่ว่าลืมตาเท่านั้นเองบางท่านก็ยังหลับตาอยู่เลยนั่นก็นั่งนั่นแหละแต่ว่าการนั่งเหล่านี้เป็นอภิญญาการธรรมเวลาไปนั่งแล้วเรารู้อะไรนั่นแหละเพราะว่าบวชมาใหม่ๆประมาเนี่อยู่ในวัดวัดป่าเป็นป่าแทบชายแดนเน่ยนะอยู่สองปีด้วยกันห่างจากหมู่บ้านประมาณบินทบาแต่กลับประมาณสองชั่วโมง นั่นแหละสองชั่วโมงนี้เดินไม่ย่องนะแต่ว่าเดินฉับๆับฉับับั บ, บับเนี่ยจะเดินเร็วมากเลยช่วงนั้นแล้วก็อยู่อย่างนี้มาสองปีแต่ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรขึ้นเลยไม่ได้ฉลาดขึ้นอะไรเท่าไหร่นักก็เริ่มหันมาศึกษาเข้าจริงๆเริ่มรู้ว่าที่เราทำนั้นอ่ะมันมีวิธีการที่ดีกว่าก็บอกว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนนั้นอ่ะก็คือการวิจัยอ่ะ วิจัยเพื่อรู้อริยสัจเราต้องรู้ก่อนนะว่าที่สุดของการศึกษาปฏิบัติคําสอนอยู่ที่ไหนใช่ไหมอยู่ที่การตรัสรู้ธรรมตรัสรู้ธรรมคืออะไรก็คือการรู้แจ้งอริยสัจแล้วอริยสัจคืออะไรรู้ได้อย่างไรวิธีการปฏิบัติเพื่อรู้อริยสัจเนี่ยรู้ได้อย่างไงลําดับขั้นตอนลดลดลดลดลดล ด, ล, ดลงมาเรื่อยๆจนมาถึงว่าศึกษาในเรื่องของวิปัสสนาภูมิจึงจะรู้อริยสัจได้ ทีนี้วิปั ส, สนาภูมินั้น่ะจะศึกษาจะศึกษาได้อย่างไรใช่หมพอเริ่มมานับตั้งแต่การคบหาตารยานมิตรการฟังการสอบสวนการไต่าถามเอาจนคล่องอ่ะนึกเพิบเนี่ยเพิ่เลยเหมือนกับคนที่จะเดินทางไปไหนสักแห่งเนี่ยนะรู้จุดหมายปลายทางรู้ที่มาที่ไปทางโค้งทางเลี้ยวที่วเวียนเนี่ยรู้ตลอดสายเลยจึงจะไปถึงที่หมายได้ เหมือนกับเราจะเดินทางเข้ากรุงเทพตอนนี้นะถ้าหากว่าเราขับรถไปเองเนี่ยเรารู้ทางพอไมสมมติจะไปสนามหลวงจะไปยังไงให้มถึงสนามหลวงผมบอกว่าเส้นชัยของเราคือสนามหลวงแต่ถ้าหากว่าคนมีรถไฟนั่งรถไฟไปถึงก็เสร็จแล้วไปต่อแท็กซี่ก็ไม่ยากนะแต่ถ้าเรามีรถแล้วขับรถไปเองเราจะไปยังไงใช่ไมไปเจอทางกรุงเทพนะยอม ถ้าเลียอถ้าหัาพวงมาลัยผิดครั้งเดียวเนี่ยเสียเวลาเป็นหลายหลายชั่วโมงด้วยแล้วไม่แน่ว่าจะกลับคืนสู่วงจรได้หรือเปล่าบางทีเนี่ยหลุดไปเลยก็มีนั่นแหละรถถนนมันไปตามเลนไปเรื่อยเไม่รู้ว่าถึงที่หมายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นเลยไปยังไงอะไรยังไงแทะการสอบถามการสอบส่วนเนี่ยอะต้องมากจริงๆแต่ถ้าหากว่าเป็นทางโลกโลกนะ ไปสนามหลวงยังบอกว่าเออจ้างคนรู้ทางพาไปสิอันนั้นยังง่ายถ้าของยุคนี้ในเรื่องของอริยศาสตร์เนี่ยเราจ้างคนรู้ทางบอกได้ไหมใครอ่รู้ทางใช่ไหมเพราะแผนที่มีล้วนะคือพระไตรปิฎกชั้นต้นเลยนั่งแกะแผนที่อย่างเดียวนั่นแหละของอนามาก็ยังมานั่งแกะแผนที่อยู่นั่นแหละก็ยังไม่ได้ทันได้ไปไหนเลยก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละ เพียงแต่ว่าเราก็จะทำให้มองวิธีมองหนทางของพระผู้มีพระภาคออกมากขึ้นนั้นการเดินทางทางพระธรรมวินัยเนี่ยไม่เหมือนเดินทางอย่างอื่นถามว่าเราจะเดินไปไหนคนทุกคนนะถ้ารีบรีบให้ถึงที่สุดเพื่อมาถึงวัดเท่านั้นแหละถ้าเป็นกลุ่มคารวะนะเพื่อให้มาถึงวัดทีนี้อย่างมากแรงมาันนั้นอีกมิสถทาถึงกับบวชถามว่าบวชแล้วมาทำอะไร มาทำยังไงอ้าถ้าสมมติเรามาเป็นเหมือนอาตมาแล้วจะนั่งทำยังไงนั่งทำอะไรให้มันรู้อริยสัจไดเนี่ยด้วยวิธีการอย่างไรบ้างอันนั้ก็ค่อยๆไล่ค่อยๆสอบทานขึ้นมาฉะนั้นนอกจากการศึกษาประทมคำสอนการฟังแล้ววิธีการอย่างอื่นเนี่ยยากมาก ทัานทางเหล่านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าฟันฝ่าจนถึงกับรู้แจ้งอริยสัจและบอกกล่าวเปิดเผยเอาไว้ให้เรารู้หมดแล้วอันที่เหลือเพียงแต่ปลูกใจรักปลูกศรัทธาที่จะศึกษาตามคำสอนของท่านมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนก็ถามว่าเออทำไมท่านท่านชอบอ่านหนังสือลเกินอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยผมบอกว่า ผมก็อ่านไปอยังงั้นแหละครับก็เหมือนกับมีคนเขาเปิดห้างเพชรห้างทองให้ผมดูอ่ะผมก็เข้าไปดูอย่างนั้นแหละผมไม่มีปัญญาซื้อก็ไม่เป็นไรผมก็ว่าเออเพชรนี่มันแพงนะว่าเออแพงก็แพงก็เออสวยดีดูไปเรื่อยเรื่อยเร่อยเรื่อยเนะเขามีคนเปิดร้านใช่ไหมเหมือนกับโชว์สินค้าโชว์เครื่องบินเราไม่มีปัญญาซื้อหรอกแต่เขาเปิดให้ดูเราก็น่าจะดูอ่ะก็เลยไปดูกับเขาไปตรงนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเปิดเผยพระธรรมคาสอนไว้ตัางลึกซึ่งดีมากมาย ก็นั่งชมของท่านไปเรื่อยๆ ย, ย, ย, ยังไม่มีปัญญาซื้อไม่เป็นไรแต่ตั้งใจว่าจะต้องหาสักลำหนึ่งถ้าเครื่องบินนี่ต้องหาสักลำหนึ่งให้ได้วันนี้ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมทีาว่าทุกคนมีติดฝันได้ดงนั้นการฝันนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็อยู่ที่ความพยายามการปฏิบัติธรรมจะให้บรรลุผลเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่อันดับแรกเลยการตั้งใจ เรียกว่าต้องมีเป้าหมายก่อนนั่นแหละอย่างพระพผู้มีพระภาคนะพระองค์มีเป้าหมายที่จะให้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะมาตั้ง20อสิศงไขแสนกาศแต่ท่านตั้งเป้าของท่านท่านทำทุกอย่างระดมบุญทุกชนิดเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณของเราก็เหมือนการระดมบุญทุกชนิดของเราทําไปเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อรู้แจ้งอริยสัจใช่ไหมทำอะไรก็ตามเถอะขอรู้เพื่อรู้อริยสัจทำทําบุญชนิดไหนก็ตั้งไว้เลย เรียกว่าปลูกใจรักไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเส่จแล้วใจรักอันนี้ทําให้เกิดความเพียรความพยายามเพื่อที่จะรู้แจ้งในคําสอนเหล่านี้ได้งนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาตามคําสอนของพระผู้มีพระภาคไปเรื่อยๆนะเรียกว่าสักวันหนึ่งคงถึงแน่ <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะที่หมายจริงๆอยู่ที่ไหนชีวิตของเราพ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมไม่พ้น ถ้ารู้อริยาศาสตร์เนี่ยรู้อริยาศาสตร์เนี่ยรู้ทางไหนอริยาศาสตร์เนี่ยเห็นได้ใช่ไหมบอกเออพระอริยเจ้าเป็นผู้เห็นอริยาศาสตรท่านเห็นทางไหนทางตาหรือเปล่าท่านใช้ตาเห็นไหมใช้หูได้ยินไหมใช้จมูกรู้ไหมใช้หรือว่าใช้ลิ้นเอาไปเลียดูรู้หรือไปสัมผัสไปจับจับลูบลูบคลำคลอันนี้พานเป็นยังไงอู้นิ่มๆอย่างเงี้ยใช่ไหมใช้ทางกายหรือเปล่าหรือคิดเอาหรือเรื่องของความคิดเออถ้าคิดคิดอะไร ใช่แล้วก็ค่อยๆศึกษาต่อไปอีกทีนี้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนผู้ปลอบพระธรรมนี้เปรียบเหมือนการปลอบพระสงฆ์นี้เปรียบเหมือนชนผู้ถูกปลอบอ่าพระพุทธเจ้านี้เป็นคนคอยเอา อ, อกอาใจนะค่อยๆคอยปลอบ อ, อกปลอบใจวันนี้มาฟังคาถาธรรมบทบ้าง น, นะว่าพระพุทธเจ้านั้นปลอบใจพระสงฆ์มาเยอะแล้วปลอบใจจนได้บรรลุมรรคผลมากันเยอะแล้วนะ ข้อความในคาถาธรรมบทเรื่องกุดุมพีคนใดคนหนึ่งนะเนี่ภาษาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบกุดุมพีคนใดคนหนึ่งตรัสธรรมเทศนานี้ว่าเปียโตชยตีเป็นต้นความพิสดานว่ากุดุมพีนั้นครั้นบุตรของนตนทากาละแล้วแปล ว, ว่าลูกตายอย่างนั้นแท้อันความโศกถึงบุตรครอบงา มีลูกตายใครไม่ทุกข์มั้งนั่นแหละเว้นเอาแต่ลูกอัปเรอนะตายก็ได้ก็ดีแต่ถ้าลูกลูกส่วนใหญ่แล้วพ่อแม่ก็จะรักมากกันนะถึงลูกพิการลูกไม่ดียังไงก็ตามพ่อแม่ก็ก็ยังรักเพราะฉะนั้นลูกสูญเสียชีวิตไปเนี่ยพ่อแม่ก็ก็โศกเหมือนกันและถูกความโศกครอบงมำมก็เข้าไปสู่ป่าชา้าร้องให้ไม่อาจที่จะหักห้ามความโศกถึงบุตรได้ ไปร้องให้ที่ป่าช้าทุกวันทุกวันคิดถึงลูกพระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาดูสัตว์ลูกในเวลาใกล้รุ่งนะทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปฏิมัติของกุดุมพีนั้นองค์ก็กลับจากบินทบาทแล้วก็ได้พาภิกษุเป็นปัจฉาสมณะรูปหนึ่งก็ปัจฉาแปลว่าภายหลังก็คือพระตามหลังติดตามไปกับองค์นึง เสด็จไปสู่ประตูเรือนของกุฎุมพีนั้นกุฎุมพีนั้นได้ฟังความที่พระศาสดาเสด็จมาก็เลยคิดว่าพระศาสดาจักทรงประสงค์เพื่อทําปฏิสันฐานกับด้วยเราโอ้มีเกียรติมากพระพุทธเจ้าอยากคุยกับเราเนะคนสมัยก่อนเนี่ยพุทธเจ้านั้นนะ่ะใครก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยในเมืองสาวัตถีพุทธเจ้าเนี่ยเด่นที่สุดนะชื่อเสียงตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเสียงชื่อกล้องโลกเหมนกันเนี่ยไม่ใช่โลกเดียวนะไม่ใช่โลกมนุษย์โลกเดียวโลกเทวดาแล้วก็ พรหมโลกพร้อมสังสมณะพรามก็เลยอัญเชิญพระศาสดาให้เสด็จเข้าไปสู่เรือนปูอาสนะไว้ในท่ามกลางเรือนเมื่อพระศาสดาประทับนั่งแล้วก็มาถวายบังคมแล้วก็นั่งนะ่ี่ควรส่วนข้างหนึ่งลำดับนั้นพระศาสดา ก, ก็เลยถามกุดุมพีนั้นว่าอุบาสกท่านต้องทุกข์เพราะเหตุอะไรนอะททำไมเนอะมานั่งสีหน้าเศร้ามองทุกข์เหลือเกินอย่างนั้นกุฎุมพีนั้นก็เลยกราบทูล เพราะพลาดพลากจากบุตรเพราะลูกตายว่างั้นเลยก็เลยตรัสว่าอยากคิดเลยอุวาสก ข, ขึ้นเชื่อว่าความตายนี้มิใช่มีอยู่ในที่เดียวและมิใช่มีจําเพาะแก่บุคคลผู้เดียวนะความตายนี้ไม่ใช่มีแต่เรารอกคนอื่นเขาก็ตายเหมือนกันนั่นแหละลูกเราตายลูกคนอื่นก็ตายเหมือนกันนั่นแหละก็เชื่อว่าความเป็นไปแห่งพบยังมีอยู่เพียงใด ความตายก็ย่อมมีแก่สัรพสัตว์เพียงนั้นเหมือนกันนะถ้าขึ้นชื่อว่าที่ไหนมีเกิดไม่ต้องห่วงหรอกว่าจะไม่ไม่ตายยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วแม้สังขารอันหนึ่งที่ชื่อว่าเที่ยงย่อมไมน่นี้ใช่ชีวิตของสัต์นั้นเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วที่เรียกว่าสัตสัต์นั้นเพราะองประชุมพร้อมเกิดขึ้นใช่ที่เรียกว่าเป็นนายก น, นายขอเป็นต้นเนี่ยเพราะ องค์อวัยวะมารวมรวมกันนะประกอบไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยอวัยวะแต่ละส่วนมาประกอบกันเข้านะอาศัยตันหาและที่ ท, ที่มายึดถือมายึดถือเเรียกว่าเลยเรียกว่าอุปาทิ น, นะกะรูปนะเป็นรูปที่มีสมุดฐานทั้ง4ี่ประการเป็นเป็นตัดใจให้เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสังขาร สังขารเหล่านี้เป็นที่อาศัยของของใจเป็นที่อาศัยเกิดของของจิตใช่ไหม